สมมาดิภูมมาสังปสมมาวาจาสมมามันทุสมมาอาีสมมา ภาษาลีบุตรเวลาพระพุทธเจ้าวันไหนนั้นเราจะลาศีนได้วันไหนเออนี่แหละวันนั้นค่อยลาได้ไหมตอนนี้ถ้าลาจากศีนแล้วจะเสียหายไหมเสียหายมากก็กลายเป็นคนมีศีนหรือไม่มีศีนคนทุ้ศีนน่ากลัวไหมหน่ากลัวแล้วอยากอยู่ใกล้ไหมถ้าคนไม่มีศีนเอออย่างเราไม่ต้องไปศึกษาพระธรรมมากนะถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่มีศีนกับคนอยู่ใกล้คนมีศีน คนนี้มันฆ่าคนนะนี่ไอคนนี้มันรักทุกอย่างนะแล้วพอพูดผิดในกรรมด้วยรุ่นนี้พูดเท็จด้วยนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อและโลภมากด้วยความโกรธก็เยอะมีความลุ่มหลงม า, มากบอกเอาไปอยู่ด้วยกันบอกถ้าเขาประกาศว่าเขาเป็นคนไม่มีศีลเขาทุ่มศีลด้ตลอดเรายังจะรักเขาไหมเนี่แต่ก่อนเราไม่เอาตัวนี้ไปขึ้นข้อวัดไงใช่ไหม ถ้าถ้าจับประเด็นตรงนี้เราก็สบายมันนะตอนนี้เราสบายไปแล้วนี่เราไม่ไม่ขึ้นป้ายโฆษณาอย่างนี้ทีแรกแต่ตอนนี้ขายไม่ได้โฆษณาไม่ออกหมดเวลาแล้วใช่ไหมเออนี่เราไม่ระดมกันในเรื่องนี้มันเลยผิดพลาดเลยทั้งทั้งที่เราไม่ชอบหรอกคนคนทุ่ศีลเนี่ยเราไม่ชอบหรอกเออในชั้นของศีลเนี่ยนะมาทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าในการที่เราจะมาศึกษาในเรื่องของกุศลศีลเนี่ย ในชั้นคําสอนของพระพุทธวิภาคเจ้านี่เนียคืออย่างนี้คือท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนนวิติกรมมศีลเนี่ยมาพยายามจะกลั่นบอกว่าจะทํำยังไงจะทําความเข้าใจพวกเราเนี่ยในระยะเวลาที่น้อยที่สุดสั้นที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ให้เข้าใจอย่างรวดเร็วมากที่สุดเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทําได้แค่ไหนนะแต่พยายามจะทําเนี่ยเนีก็คือว่าให้ความเข้าใจให้เร็ว ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าเข้าใจได้ชัดเจนด้วยเออได้พูดในเรื่องของทานก็ไว้ใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุแห่งการให้นั่นเป็นทานในกุศลใช่ไหมแล้วก็พูดถึงในเรื่องของทายาธรรมคือวัตถุสิ่งของก็เป็นทานแต่เรามองเป็นวัตถุกรรมกันเนี่ยนะแต่ต่อไปเราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยการมองวัตถุกรรมทั้งหลายเปลี่ยนเป็นวัตถุทาน เป็นสิ่งที่ควรให้เลยเนี่ยนะตรง น, นี้มันเข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะเห็นลูกเห็นหลานหน้าเป็นวัตถุทานหมดเลยเดีวนั้หน้าบริจาคแท้เจอใครก็สบายเลยจะไม่ไปเนี่ยบางคนเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาแพงๆบางคนเลี้ยงสัตว์ราคาแพงนะเออเคยเห็นสุนัขตัวเล็กๆไหมไอ้ตัวเล็กๆเว่ยวันก่อนมีโยมคนนึงเจอหน้าร้องไห้ ถามทำไม่ยอมเป็นไรเนี่ยบอกสุนัขตายเว้ยเขาบอกตัวเล็กๆเนมาเขาพึ่เป็นยังไงตัวเล็กๆโหน่ารักมากท่านไม่ได้เลี้ยงถ้าท่านเลี้ยงก็จะรักย่างยอมนี่มอกตายอ่ะยังเป็นงั้นด้วยเลยมันน่ารักหรอฮะเอาคนมองยังไงมองอาบาศาสตร์เนี่ยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเป็นอาบาศาัตร์เนี่ยเรายังจะรักแบบตัณหาได้ไหมเราจะได้แต่กรุณาเขาเนาะ ได้กรุณาเขาแล้วก็หรือถ้าจะเมตตาเ้าก็เมตตาเขาจริงๆก็เหมือนพระที่ท่านอธิบายตอนเช้าก็บอกว่าให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานได้แท่นี้สมงเท่าเลยได้ร้อยเท่าร้อยอัตภาพใช่ไหมคูณเท่าไหรคูณห้านะคูณอายุนัสกัปปะละนะฮะเนี่ยตรง น, นี้ก็ได้ร้อยอัตภาพแต่โดยมากไม่ค่อยเป็นทานอย่างเง้ยคนชอบเลี้ยงกันอย่างนะเลี้ยงอาหารปลา แต่โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นทานนะสังเกตไหม เ, เลี้ยงกันอุย้ยน่ารักน่ารักโอ้โหขึ้นมากินแล้วขึ้นมากินแล้วใช่ไหมแล้วเป็นตัณหาจะเป็นทานได้ไหมอ่ะนี่จบเลยงานะนี้แล้วเราชอบระดมกันยังเลี้ยงปลาเลี้ยงสุ น, นัขเลี้ยงอะไรโอ้โหน่ารักไม่เป็นทานนะกุศลเพราะใจไม่เป็นไปกุศลอั่นเอตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาทั้งๆ้งที่โอ้โหทํามาซะเยอะแยะกับอังนี้พิจารณาใหม่ได้ไหม สมมุติมันผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยเราจะย้อนให้เป็นอัปราปาราเจตนาได้ไหมให้เป็นทานากุศลได้ไม่ได้ทำยังไงอ่ะสมมุติว่ามีคนกู้เงินไปแล้วแล้วเขาไม่ใช้เราจะน้อมให้เป็นทานได้ไหมได้เลยมีไหมที่นั่งๆอยู่นี่มีใครยืมเงินไปแล้วเขาไม่ใช้มีไหมอ๋อเยอะเลยเด้ออ๋อจริงๆเลยเด้อแล้วน้อมเป็นทานได้ไหมอ๋อน้อมเป็นทานได้เนีย สมมติถ้าเขาโทรมาบอกคืนยังยอาวอยู่ไหมอันนี้ไม่จริงแล้วอย่างเงี้ยมแต่จริงใจยังอยากได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ตัดขาดถ้างั้นเราต้องทำลายโลพาด้วยนะต้องให้อาโลพาเนะี่ยเกิดขึ้นมามีกำลังที่แข็งแรงถ้าเขาโทรกลับมาก็บอกท่านบอกว่าเออเดี๋ยวจะปััจใจมาคืนเนี่ยใจเราไม่ดีเลยเนี่ยนะย แล้วก็บอกโหเสียใจด้วยนะเราตัดขาดไปเลแล้วเราถวายพินานไปแล้วตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของอารพาทานที่ประกอบประเจรศิกส่วนประการต่อมาคืออภัยทานนะการอภัยทานการที่กล่าวคําให้อภัยแก่กันและกันเนี่ยนะเป็นอภัยทานไป ทีนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็คือพูดในเรื่องของปานาติปาตาปฏิเวรโตภิขเวอรียสาวกโกอปริมานานังสัตตานังอพยังเทติเป็นต้นอันนี้มาในอภิสันทสูตรธานวักอธกาอนิบาตในอังคุตระบาลีอริยสาวกเว้นจากปานอนิบาตนั้นย่อมให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้การให้อภัยแกสัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นมหาทานข้อที่หนึ่ง นี่ได้ขยายไปแล้วนะว่าเป็นการให้อภัยแก่สารทั้งหลายเป็นหมาทานไหมเป็นศีลไหมเป็นศีลทีนี้การให้อภัยเนี่ยเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเป็นสังวรศีลเป็นเป็นเจตนาศีลเจตสิกสังวรอาวีติคมาศีลเป็นศีลประเภทไหนดีเนี่ยการให้การกรณีเนี้ให้ชีวิตเป็นทานเนี่ย เป็นเจตนาได้ไหมเป็นเจตนาเนะคือการจัดแจงจงใจเนี่ยนะยรู้จักเจตนาศีลไหมเจตนาศีลเอาอยัางไงคือเจตนาเจตสิกที่เป็นไปในมหากุศลจิตุบาบาทถ้าพูดตรงนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาปรมาธิธรรมมาจะงงนิดหน่อยเนาะคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศล เจตนาที่เป็นไปกับจิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โกรธจิตที่มีปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเจตนาที่เกิดขึ้นกับจิตที่เป็นโสมนัสจิตที่เป็นญาณสัมมยุทธ์ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะเจตนาที่เป็นไปกับในเรื่องของการจัดแจงปรุงแต่งที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นภาวะแก่การที่จะงดเว้นจากบาปธรรมทางกายทางวาจา อันนั้นเป็นเจดนาศีนเพราะลักษณะของศีนเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของศีนในข้อนี้นะไม่ใช่คาว่าศีรนะเนี่ยศีรนะเนี่ ย, าายมายจากคาว่าอะไรสมาทานนางและอุปัฏฐาระานางเนี่ยตรงนี้ที่จริงพอพูดตรงนี้ทีไรก็ก็ทําให้รู้สึกว่าต้องขยายค่อนข้างลุกทีเนี่ยเนี่ยคืออย่างนี้ว่า ในกรณีที่เราจะศึกษาในชั้นของคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยอะต้องเข้าใจบอกว่าคำว่าสมาทานังเนี่ยลักษณะของศีลี่บอกว่าลักษณะของศีลี่บอกทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายเนี่ยจะ ท, ทำยังไงไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายและไม่ให้ส้านไปเพราะบาปรกรรมตั้งหลายมีการฆ่า แล้วการละ ก, การประพฤติผิดในกาเม้นด้วยเออถ้ามองอย่างนี้ถามว่าพอพูดคำว่าเจตนาที่เป็นไปกับการที่ว่าไม่ฆ่าเนี่ยพอพูดอย่างนี้เข้าใจยากไหมทีออ่ถ้าฐานบางคนก็มองมองว่ายากนะอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าเจตนาหมายเอาบอกว่าในการใดเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่ออคุิและธรรมทั้งหลาย เจตนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการฆ่าต่อการลักต่อการประพฤติผิดในกรรมเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจ้านี่นะเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวความโลภความโกรธและความหลงเจตนาในลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสีเพราะเป็นไปเกี่ยวกับการที่จะงดเว้นไหมเป็นไปเกี่ยวกับการที่จะงดเว้นจากบาป ฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนากรรมเจตนากรรมเนี่ยทีนี้กรณีแห่งการที่พูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับการที่จะไม่ฆ่าเนี่ยส่วมากเจตนาคือการจัดแจงเป็นไปในที่เนี้ยเกิดก่อนหรือเกิดหลังเอาการที่เราจะรักษาศีลเนี่ยเรามีเจตนาก่อนไหม <S <S เจตนาเกิดก่อนเนาะเกิดก่อนเพื่อจะอะไรรักษา ไม่ร่วงละเมิดศิษขาบุตใช่ไหมเออถ้าในพูดถึงในชั้นของคําสอนเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้ก็คือจะเห็นประเภทของศีลทั้งหลายเหล่าเนี่ยเจตนาที่เป็นศีลเน่ยเพราะเจตนาที่จัดแจงกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายคําว่ากระจัดกระจายในที่นั้นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ในชื่อว่ากายกรรมกระจัดกระจายผู้เทศส่อเสียดคำหยากเพื่อเจื้อในชื่อว่า วัตถิรามกรจัดกระจายเกลื่อนกล่นและสร้านไปด้วยทุจริตทั้งหลายมีการฆ่าเป็นต้นเห็นไหมเจตนาในรักษ่างนี้ก็เรียกเจตนาที่เป็นไปแก่การควบคุมไม่ให้กายกรรมวัตถิรามเกลื่อนกลน่นกระจัดกระจายสร้างไปเพราะการทําบาปเอางี้เราเห็นวัตถุต่างๆท่าอาการที่เราจะเห็นวัตถุต่างๆ เอาเอาเห็นสิ่งที่มีชีวิตก่อนในเบื้องต้นเนียเราเห็นสิ่งที่มีชีวิตพบเนี่ยอย่างเรานั่งกันอยู่ตรงเนี้เอาวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นวัตถุที่ตายได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราทำปานาริบาตได้หมดไหมนั่งๆอยู่ได้หมดหรือไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดงดเว้นจากการฆ่าเลยใช่ไหมเราเนึกถึงบุคคลเหล่าเนี้ยไม่เคยคิดนะ พราะเราคิดว่าเราไม่ฆ่าเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราเคยโกรธอ่มแล้วเป็นเหตุเป็นการ <spin> <Sunday> มันเริ่มแล้วใช่ไหมความโกรธนี่แปลว่าเป็นที่ตั้งเห็นความไม่พอใจใช่ไหมถ้าหาความโกรธรุนแรงมันสามารถจะฆ่าได้ไหมถ้าได้เหตุปัจจัยตอนนี้เราไม่ฆ่าจริงแต่เราไม่เราโกรธแล้วก็วัตถุชิ้นนี้เราโกรธได้เมื่อเราโกรธได้เน่ะถ้าได้เหตุปัจจัยที่รุนแรงเราจะฆ่าได้ไหมเนี่ยเราก็นึกว่าเราฆ่าไม่ได้ใช่ไหม ถ้าต้องบอกว่าฆ่ามดตัวหนึ่งเป็นปัจจัยแก่การฆ่าแม่เราเชื่อไหมก็มดตัวหนึ่งยังฆ่าได้ใช่ไหมแล้วอัจยาสัยที่รุนแรงมากขึ้นได้ไหมน่าเข้าไปถึงฆ่าแม่ได้ไหมฆ่าไม่ได้พบนี้พบหน้าไปฆ่าได้ไหมพบหน้าไม่ได้ไปอีกร้อยฆ่าไปฆ่าได้ไหมที่สุดเป็นอัตยาสัยการที่คิดฆ่ามดนี้ว่าเห็นไหมเนี่ยน่ากลัวไหมเนาะแล้ว ฉะนั้นวัตถุใดเราโกรธได้วัตถุนั้นเราก็ทํำลายได้เนี่ยทนการไม่คิดเว้นไว้ฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเราต้องเขียนปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้สึกที่เราต้องให้อะไรเราต้องให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขาไหมต้องตั้งความรู้สึกไว้ก่อนไหมต้องวิจัยไหมในที่คิดคิดไปเนี่ยเราต้องเจริญเมตตากับบุคคลเหล่านี้ไหม ต้องเจริญถ้าไม่เจริญเราเกิดขัดเคืองเมื่อไรแสดงว่าจิตใจหลังเราเริ่มจะโหดเหี้ยมไหมในส่วนจริงเราก็บาตุสลายเขาเราอาจจะมองไม่เห็นโทษนะตรงเนี้นะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเดยหลักธําสอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําต่ทางข้าประหารในการที่จะละบาปอากุศลที่เห็นวัตถุที่มีชีวิตแล้วเราเห็นสิ่งของที่มีชีวิตแล้วเราไม่ทําต่ทางข้าประหารเขาไว้ เข้าใจคําว่าต่ทางก็ประหารไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจการละด้วยแหละการละได้แต่ลักษณะนเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแต่ทางก็ประหารคืออย่างนี้พอพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของสิกขาบทนี้การละซึ่งปานาติบาตเนี่ยเป็นประหานศีล นั้นเจตนาที่เราจะงดเว้นจากบาปทั้งหลายเหล่าเนี่ยนั้นเจตนาที่จะงดเว้นจากการการฆ่าเนี่ยอันนี้เป็นปะหานะเป็นปะหานศีลนั้นถ้าเรามองถึงในชั้นของเจตนาศีลเนี่ยเราจะเห็นชัดท่านหมายเอาเจตนาเจตสิกเจตนาที่ขวนขวายต่างๆเหล่านี้นะนั้นเจตนาของบุคคลผู้วีรัต จากทุติริทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยได้แก่เจตนาที่เป็นประธานที่ประกอบอยู่กับอะไรประกอบอยู่กับวิรตีหรือเจตนาที่ขวนขวายของบุคคลผู้ทําวัดปฏิบัติให้เต็มอถ้าเจตนาที่ประกอบกับวิรตีนี่คือยังไงเจตนาที่เกิดร่วมกันกับการงดเว้นสภาวะธรรมที่งดเว้น เชตเจตนาที่เราสมมุติเรามาสมาทานเนี่ยนั้นเจตนาแข็งแรงมากนะสมาทานสิกขาบทเนี่ยแต่สมาทานสิกขาบทเหล่านั้นมีเวรทีเกิดร่วมไหมมีสัมมาวาจาการงดเว้นจากสภาวธรรมที่งดเว้นจากบาปทางวทีกรรมสัมมารกรรมันตัสภาวธรรมที่งดเว้นจากการกระทําทางกายแล้วก็สัมมาชีวะการงดเว้นจากอาชีพที่ทุจริตแล้วก็ถือว่างดเว้นกายททุจริต สามวิจีทุจริตสี่ด้วยได้พูดนี้เร็วไปวะไม่เร็วเลอฟังทันไหมยากไหมการใช้ศัพท์นี้เริ่มยากขึ้นใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวมาพยายามจะกลายเป็นภาษาของเรานิดๆหนะ่อยๆก็อย่างนี้คือตัวเจตนาคือจิตที่คิดอย่างงดเว้นจากการฆ่าเขาเรียกสีร ะ, ะนาเนี่ยก็คือหมายความว่าเจตนาคือจัดแจงจงใจอรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้น โดยการที่ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าจะไม่รับจะไม่พื่พื่อิในการามจะไม่พูดเท็จส่อเสียดทำอยางเพื่อเจอือเจตนาตั้งใจตรงนี้เกิดร่วมไยวิตรติแต่ตอนนั้นเจตนาเป็นใหญ่อยู่แต่ทีนี้พอเกิดสภาวธรรมต่างๆที่จะเป็นเหตุแห่งการฆ่าเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเห็นหมดวิ่งมาตัวอคิดยังไง พอเราสมาทานเช้านี้ไปป๊อบเดินกลับไปหน่อยแล้วไปเห็นหมดมันวิ่งอยู่แม้ลมคายแล้วเกินมันพอทําท่าแล้วจะจะจะฆ่าแล้วเราคิดแล้วเรางดเว้นได้เราคิดยังไงเเราสมาทานรับศิลมาจากพระท่านก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกให้เราเคารพพระพุทธมีพระเจ้าเช่นการจะมาล่วงแล้วเมื่อศึกษาบทข้อเ น, นี้ยไม่สมควรแก่เราเลยอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสมาทานวิรัต มันไม่เกิดขึ้นไหมสมาทานวิรัติพอคิดถึงสิ่งที่เราสมาทานไว้แต่สมาทานไว้อย่างนี้ลักษณะนี้เป็นสมาทานวิรัติแล้วก็งดเว้นจากบาปประทำทั้งหลายตอนนี้สภาวะธรรมที่งดเว้นเวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเกิดหรือยังเกิดหรือยังสภาวะธรรมทีท่เข้าไปตัดรอนเป็นงดเว้นบาปทั้งหลายนั้นเป็นวิรติแต่เจตนาจงใจจัดแจงที่จะงดเว้นไปก่อนนั้นเป็น เจตนานี่กเกลียดเจตนาเป็นปัจจัยแก่วิรทีคือสภาวัธรรมที่งดเว้นจากบาปได้เพราะคิดถึงที่เราได้ตั้งใจแล้วที่เราเจตนาเขาไว้ที่เราสมาทานเขาไว้ก็แข็งแรงมากอย่างอาวุธนี่นะพอบวชเข้ามาใช่ไหมพออาวุธจะไปทํางั้นปุ๊บนี่นะอนาวุธคนนี้เขาเอยตั้งแต่บวชมาเราไม่เคยทําสัตว์ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเลยการกระทําอย่างนี้ไม่สมควรต่อสมณะสักยะบุตรพุทธชิโนโอรส บทของพระผู้มีพระเจ้าการเลือจะมาฆ่าแม้แต่มดดำมดแดงเล็กๆ เ, เนี่ยให้เสียชีวิตไปด้วยการกระทำเช่นของเราเนี่ยบรญชิตชื่อว่าเป็นผู้ดิ้งดเว้นจากบาปประทับทั้งหลายแม้ทางกายและทางวาจาขึ้นชื่อว่าบาปชุดทุกชนิดไม่สมควรแก่เราเลยเราเป็นผู้งดเว้นจากบาปประทับทั้งหลายพอคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็งดเว้นได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาเป็นปัจจัยแก่ วิรตีเป็นสภาวธรรมที่งดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการงดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าวิรตีตัวนี้เป็นสัมมากรรมันตาวิรตีหรือสัมมาวาจาวิรตีฮะสัมมากรรมันตาที่งดเว้นบาปทางกายนะที่จะไปบีก็ เ, เนี่ยจะใช้เสียงฆ่ามดได้ไหม ได้ไหมอ่าใช้เสียงฆ่ามดได้ไหมบอกคนอื่นได้ใช่ไหมไม่เราไปบอกเขาอยู่เขาอยู่เขากับมดเนี่ยเองจงตายเองจงตายเดี๋ยวนี้ได้ไหมใช่ไหมถ้าไปสั่งคนอื่นนั่นอีกอย่างนั่นก็ชื่อว่าชื่อว่าฆ่าอยู่แล้วแต่หมายความบอกว่าเป็นการมดเว้นบาปทางกายใช่ไหม แต่ถ้าไปสั่งเขาในรดเบนบาปทางวาจานั้นก็ว่าไปอันนั้นเป็นสมาการจะสั่งคนอื่นกันก็คือการทําค่าเนี่ยได้ทั้งกายยทวานแาจิตวานไงนในตูวว่ารายละเอียดเยอะเรื่องปริบัิบาตเนี่ยจริงๆในครั้งเนี้ยคงจะพูดแค่คร่าวๆเท่านั้นแหละเจาะรายละเอียดไม่ทันหรอกเพราะในรายละเอียดเนี่ยพูดถึงองค์พูดถึงอารมณ์ ใช่ไหมพูดถึงมูลอย่างเงี้ยนะว่ามีกี่มูลมีโลภามูลหรือโทสะมูลโมหามูลมอารมณ์นั้นเน่ะเวทนาลายเป็นสมณะเสวนาหรือโทมณะเสวนาอะไรเนี่ยรูปเบขาเวทนาน้ยกว่ากันในรายละเอียดเยอะตรงนั้นนะนะแล้วกรรมที่ทําไปแล้วจะทําให้อย่างไรเนี่ยมาพายายามจะสืบค้นในเรื่องผลของทาบาปเมื่อทํากรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะได้อย่างไรเมื่อไม่ทํากรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ดิบได้ดีอะไรเนี่ยต้องมองตรงนั้นให้ชัด คือเห็นประโยชน์และเห็นโทษเห็นประโยชน์แก่การงดเว้นเห็นโทษของการร่วงละเมิดต่อไปไม่กล้าหรอกมดตัวเดียวก็ไม่กล้าที่จะบีบเขาหรอกเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยคนที่เจ็บปวดกลายเป็นกลายเป็นเราเองเนี่ยไปทรมานตัวเองเนี่ยเหมือนยาฆ่ า, มาแมลงไปฉีดใส่กระเดีย๊ยบฉันเนี่ยลองลองหันในตัวยาข้ า, มาแมลงฉีดใส่จมูกตัวเองดูที่เป็นไงอ่ะ อะไรโอ้เสียหายทั้งนั้นนียไม่ควรไม่ควรนะเพราะอะไรรู้ั้มอยากจะรู้ไหมโทษของปานายิบา อ, อ๋อนั่นเหตุผลของเราทีาเาเออ่เหตุผลของกรรมก็อย่างเหตุผลของกรรมอีกโอ้ เออน่าจะทำยังไงต อ, องนี้นะผลของปันธาิบาตนะทางวดเว้นก่อนเนะาะท้งวดเว้นจากปานาิบาตนะจะบอกคุณก่อนนะเดีย๋ยวค่อยบอกรายละเอียดของกรรมข้อนี้เนะหนึ่งก็คือเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สองเป็นคนที่มีสวนทรงไม่ใหญ่โตและกลมกล่อมเป็นสมบัติเดิ สก็เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยความว่องไวอทําไมกรรมที่ไม่ฆ่าทําไมเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนว่องไวเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนไปฆ่าเขาไงก็เป็นการคนแข็งแรงว่องไวเป็นคนที่มีเท้าตั้งไว้เป็นอันดีและเป็นคนสวยงามเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วแกล้าเป็นคนที่มีกําลังมากคนที่เกิดมาอ่อนแอนี่ทุกผลการฆ่าอาการเบียดเบียน เป็นคนที่มีถ้อยคำเห้าหานเป็นที่รักของค่ายของบุคคลทั่วไปอัตยาศัยที่ไม่ฆ่าเพราะโทสะไม่ค่อยเกิดไงไปที่ไหนมีแต่คนรักเพราะเมตตาเยอะเป็นคนไม่มีโทษเป็นคนที่มีบริษัทไม่แตกแล้วเอเราไปฆ่ามดตัวหนึง่งทําให้เขาแตกแยกแตกแล้วกันมั้ยเขาเดือดร้อนทั้งหมดหมั้ยฉะนั้นไปฆ่าปลวกโ oh, อ้ย่างที่หนึ่ง เราได้บริวารบริวารก็แตกแยกนี้ก็เจ็ดกระเ จ, ะเจงไฟไห ม, มืนน้ำท่วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขั้นคลั่งด้วยไปที่ไหนไม่ค่อยกลัวตายเราบุคคลเนี้ยเอาใครยกมือทิ่คนที่ขี้กลัวทั้งหลายอ่ะที่นั่งๆอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวก็ขี้กลัวเนะี่ยอ่ะมีไหมไปที่มืดๆก็กลัวอ่มีไหมนี่ผลของปาณาธิบาภ์เพราะเคยทําประเภทนี้ไว้เยอะไงอัตยาริยก็เลยหวาดระแวง กลายเป็นคนหวาดระแวงนะนี่ผลของปฏิบติบาจะเป็นอย่างนั้นแหละจอเป็นคนที่มีศัตถาหากว่าไม่ฆ่าเย่นี้เป็นคนที่ศัตรูเนี่ยกำจัดเยะได้ยากเขาจะฆ่าทีไรรอดทุกทีฆ่าทีไรรอดทุกทีททกท็เราไม่เคยทํากรรมแบบนี้มาเลยอ่ะชีวิตก็ปลอดภัยอยู่เรื่อยคนอื่นเขาไปด้วยกันนี่นะคนอื่นเขาเจ๊งแต่เรานี่ไม่เจ๊งอ่ะเราปลอดภัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ จะไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นพระเจ้าเนี่ยคุณของพระเจ้าอยมีอยู่ข้อนึงเห็นไหมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตย่อมไม่ตายย่อมไม่ปรินิพานเพราะความเพียรพยายามของบุคคลอื่นเห็นไหมพระเจ้าจะไม่ปรินิพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นพระเทวทัศน์เพียรพยายามขนาดไหนพระเจ้ามรณภาพไหมไม่ปรินิพานหรอกนี่ไง โทษของการไม่ทำปานนาทีบาเห็นชัดตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่มีบริวารมากพราะเราไม่เคยทำเขาบุคคลให้ตายแล้วมีการเสีย อ, อกเสียใจยบริวารก็เยอะเป็นคนที่มีรูปสวยสวดทรงงามเป็นคนมีโรคน้อยเป็นคนไม่มีความโศกและอย่างหนึ่งนะ เมื่อมีสัตว์และสังขารเราก็ไม่ภากไม่พภาคจากสัตว์และสังขารด้วยอันดีที่น่าชอบใจแล้วก็เป็นคนที่อายุยืนแม่พูดตรงนี้จะตรงเงินข้ามับมาเลยนะเนี่ยอามาเนี่ยสงสัยทำปานาติบาโดยเยอะมากนี่นะถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นถ้าโทษละดูก่อนภิกษุทั้งหลายปานาติบาต ท, ที่บุคคลส่องเสพให้มากกระทําให้มากแล้ว ก็ทําให้มากย่อมเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดในเป็นสัตว์นรกให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เกิดเป็นเป็ดเวสัยวิบากแห่งปานาติบา ท, ที่เบาทั้งหมดนั่นนะเป็นมนุษย์ก็บรรดานี้เป็นคนมีอายุสัน้นนี่ในอังคุตระนิกายนี่นะเพราะท่านตราสไว้นะอีกที่หนึ่งนะท่แดงบ่าเป็นคนทุกพลภาพอ่ะที่อยากจะลังแกสัตว์ฆ่าสัตว์นี่ยมาบอกบอกอนิษฐานบอกโทษไว้ก่อนในข้อแรกเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องศีลนะ เป็นคนที่มีรูปไม่งามรูปก็ไม่งามลองกลับไปลองไปดูหน้าตาเราดูนะเราจะเย็นงนึงแล้วเป็นคนอ่อนแอเดินนิดๆหน่อยๆก็หมดแรงเนี่ยแล้วเป็นคนเฉยช้าด้วยแล้วเป็นคนขี้กลัวอะไรนิดหน่อยก็ขี้กลัวตกใจง่ายอะไรงี้เป็นไหมถ้าในรักษระนอย่างนี้เขาเรียกแล้วก็เป็นคนขี้ขาดเป็นแล้วอีกอย่างนะ ถ้าไม่มีใครฆ่าตัวเองก็อยากตายอยากจะฆ่าตัวตายาถามจริงที่นั่งมีใครเคยคิดอยากฆ่าตัวตายบ้างเครียดมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายเครียดมีผลของปณธิบาตงั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเ็าอยากตายเนี่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ท่านคนนี้ทำปณธิบาตมาเยอะฆ่าสัตว์มาเยอะกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่ากำลังให้ผลก็แล้วก็ต้องให้กำลังใจเขา ว่าท่านทั้งหลายอย่ายอมอ่อนแอกระจประเภทนี้ท่านทั้งหลายเคยทำกรรมเหล่านี้มาเยอะเนะอย่าให้กรรมเหล่านี้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนจะไปเปิดช่องในมันเอางี้ เ, เ, เราเคยฆ่าสัตว์กันมาไหมในสังสารวัตฉะนั้นกรรมที่จะเป็นปัจจัยทำให้เราน้อยใจตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายย่อมมีช่องมีโอกาสไหมฉะนั้นตอนนี้เราจะปิดโอกาสนั่นหมต้องปิดด้วยการเข้าหาคาสอนของพระศ า, าสดาเสีย นันถ้าน้อยใจหน่อยมันทำใครไม่ได้ก็อยากจะประทุษไ้ายตัวเองบางคนก็ชบตัวเองตีตัวเองดึงผมตัวเองถึงตัวเองเล่นนี่นะใช่ไหมนี่ไงโทษของรารรดิบาตถ้าตัวตายหรือถูกคนอื่นฆ่านี่โรคเบียดเบียนมีบริวารก็มีพินาฏนะแล้วก็ยางว่าก็มักจะอายุกะสัน้นนี่คือโทษ นี่เราพอพอเริ่มรู้อย่างนี้แล้วข้อแรกอยากจะมีศีลไหมทีนี้มองอย่างนี้เราก็จะได้มองถึงเจตนาศีลเทียบเคียงนะฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่ฆ่าเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่ลักเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่ประพฤติผิดในกรรมเจตนาที่เป็นเหตุไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อ นั้นเจตนาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเจตนาที่เป็นไปกับศีลนี่ย น, นะเจตนานเจตนาเป็นกรรมไหมเป็นกรรมไหมเจตนาเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเจตนาในโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลกรรมเป็นศีลได้ไหมเป็นได้เป็นอกุศลศีลได้ในปฏิสัมพิธามักภาษาหรือบทใช่ไหม ก็ทรงกล่าวบอกว่าศีลมีกี่อย่างศีนมีสามอย่างคือกุศลศีลอกุศลศีลแล้วก็อัพยากตะศีลด้วยอันนั้นเป็นปกติของบาปนะพรกอกุศลศีลเนี่ยไม่เอาที่นี้ที่ต้องกล่าวตรงนี้ก็ไว้เดี๋ยวเราไปเปิดเจอในคำภีอื่นได้ทาไมพระไม่บอกใช่ไหก็ไปดูในปฏิสัมพิธามากเนาะ ท่านกล่าวไว้ศีลสามประการกันไว้นั้นคือเจตนาที่เป็นไปกับโลภะเจตนาที่เป็นกับโทสะเจตนาที่เป็นไปกับโมหะเป็นอกุศลศีลแต่สินชนิดนั้นเป็นศีลที่ไม่ดีใช่ไหมนั้นทํารมะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าพูดในชั้นของกุศลศินเขาเรียกวความทุศีนนั่นเองภาวะที่ไม่มีกุศลศีลคําว่าทุศีลก็แปลว่าศีนชั่ว ศีลที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะนี่อะได้หลักคือตรงนั้นนั่นแหละใช่ไหมโทษกก็คือไม่ดีใช่ไหมศีลชั่วศีลที่ไม่ดีนั่นเองเยี่ยงประพฤติเยีย่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยเขามีศีล ข, ของเขานั่นแหละมีวัดมีศีลของเขานั่นแหละนั้นคือข้อปฏิบัติปกติของเขาปกติบางคนเนี่ทําบาปปกติถ้าบางคนเนี่ยรักทรัพย์เป็นตัวอะไรเนี้ยอันนั้นก็เป็นในชั้นของศีลไปทีนี้ พอพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นศีลเจตนาที่เป็นไปกับกุศลในที่นี้ที่ต้องการจะกล่าวเนี่ยนะคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุที่ทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไม่เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายโดยเฉพาะขับเน้นที่กายกรรมและวจีกรรมเจตนาขวัญขวายของบุคคลท่านเจตนาจึงเป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นพรชานิธา น, านกิจ เป็นตัวเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ผลในการต่อไปฉะนั้นตัวเจตานาที่เป็นกุศลศีลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าเราได้เพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วเนะ่แต่มันจะเป็นไปเพื่อการฆ่าหรือเพื่อการลากักเพื่อการประพิติผิดพฤติกรรมจะเป็นไปเพื่อการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่ฉะนั้น ก, กรณีอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะประทุษลายอยู่ตลอดเวลาหมดเลยแต่เราจะทําให้กุศลศีลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร นั้นคนที่เขาเจริญกุศลศีลได้อย่างต่อเ น, นื่องเพราะเขาเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่ า, า, านี้แล้วเขามาณาสิการให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆปริมาณของกุศลศีลมันก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นตัวนี้กุศลศีลที่มีความหนานแน่นที่มีกําลังมากขึ้นอย่างเนี้ยถึงจะทรงไว้ซึ่งสภาวธรรมระดับสูงเนอะมีสมาธิและปัญญาเป็นต้นฉะนั้นปริมาณของกุศลศีลเราสมาทานไว้แต่ไม่เคยให้เกิดเลยเนี่ยแปลว่าอะไรศีลเป็นนามธรรมาหรือเป็นรูปธรรม สมาทานครั้งเดียววันนั้นก็ไม่เคยคิดถึงศีลอีกเลยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเจริญศีลไหมเขาเรียกไม่เจริญศีลรับศีลครั้งเดียวมาแล้วก็ปล่อยถึงศีลทิ้งไม่ได้สนใจใยดีในศีลเลยเอาตั้งแต่สมาทานศีลมาวันแรกมันจะถึงวันนี้คิดถึงศีลถึงร้อยครั้งหรือยังคิดถึงศีลถึงร้อยครั้งหรือยังเนี่ยถึงนี้เขาเรียกว่าศีลเป็นหมันศีลเป็นหมันเนี แปลว่าอะไรไม่เจริญไม่เติบโตไม่มีลูกไม่มีหลานเอาอารมณ์อันเป็นอารมณ์ที่จะเป็นปใจใัจจัยสิลนเกิดมีเยอะไหมเยอะไม่เยอะเอาเอาข้อแรกอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยเยอะไหมตั้งแต่มาอยู่ในที่เนี้พวกเรานี่กี่คนเนี่ยและเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเคยมีเจตนาจงใจในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าตะครั้งไหมทุก ครั้งเลยไหมเมื่อเราเห็นบุคคลเหล่านี้ถ้าเราเราทําให้เกิดได้แต่ละทุกครั้งได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาที่เป็นไปกกุศลเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อเมื่อเจตนาที่เป็นไปกับการงดเว้นเนี่ยมีกําลังมากขึ้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาศีลส่วนเจตนาศีลอีกอย่างหนึ่งนะถ้ายัางค้าก็คือขวัญขวายในการทําวัดปฏิบัติให้เต็ม ชื่อว่าเจตนาศีลเช่นยังไงถ้าเป็นพระเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์อาจารย์กับศิษย์หรือการปฏิบัติต่อลานโพลานเจดีย์กวาดวิหารลานโพทั้งหลายนั้นเจตนาที่เป็นไปกับการกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาศีลเป็นข้อปฏิบัติฉั้นศีลท่านจะต้องเกิดตลอดไหมฉะนั้นท่านจะต้องทํากิจของท่านตลอด ในการที่อยู่ด้วยกันในการที่รับอาหารและบินธบาตในการที่ฉันเนหาในการที่ทํากิจต่างๆเหล่าเนี้ยเจตนาศีลของท่านก็จะต้องมาทํากิจในการที่จะเดินอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างพวกเราทั้งหลายก็ปฏิบัติกันในทิศทั้งหกไงถ้าเราเป็นแม่แล้วก็ปฏิบัติต่อลูกถ้าเป็นลูกก็ปฏิบัติต่อแม่แต่อพ่อใช่ไหมพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าใช่ไหมการที่ปฏิบัติดูแลพ่อแม่เป็นศีลไหม ถ้าตอนนั้นทําไปหงุดหงิดไปเป็นศีลไหมเป็นอะไรเป็นอกุศลไม่เรียกว่าศีลไม่เรียกว่าเจตนาศีลเพราะไม่ได้มีเจตนาในการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆเอาเจตนาที่เรากระทาปฏิบัติต่ออาจารย์ทิศเบื้องขวาเป็นศีลไหมถ้าหงุดหงิดเจริญ อ, อาจารย์ท่านเนี้ยเป็นศีลไหมนั้นการปฏิบัติให้ถูกต่างหากจึงจะเป็นเจตนาศีล เจตนาในการที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนถ้ามีไงในทิศเนี่ยการปฏิบัติต่อทิศเนี่ยนะการที่เราจะปฏิบัติต่อเพื่อนนี่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยหรือการปฏิบัติต่อต่อสามีภรรยาต่อบุตรต่อญาติมิตรนั้นก่อก็ทําไปทำถ้าหรือปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ลูกน้องอยังเป็นเจตนาศีลการปฏิบตัติต่อพระต่อพระพุทธเจ้าเป็นเจตนาศีลหมดเลยเป็นศีลหมดเลยแต่เราเอางี้ว่าตัวนี้เอาเราจะทําเจตนาศีลเป็นไปทางกายอย่างไรเจตนาศีลเป็นไปทางวาจาอย่างไรเจตนาศีลเป็นไปทางใจอย่างไรเอางี้วัดกันก่อนเลยนี่มีรายละเอียดนะเอาเจตนาศีลที่จะเป็นไปทางกาย เอา้าลองดูกับแม่กับพ่อดูนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วทําไงเลี้ยงท่านตอบเอาใช้กายเลี้ยงทยํายังไงปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมในขณะที่ปัดกวาดเช็ดถูดูแลท่านนวดปั้นให้ท่านอาบน้ำให้ท่านหุงหาอาหารให้ท่านในขณะทําไปเป็นศีลหรือไม่เป็นศีลดูตรงไหนดูเจตนานั้นเป็นไตรกุศลหรือไม่ ดูเจตนาที่เป็นไบกับกุศลหรือไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าดูเจตนาที่เป็นไบกับกุศลตรงนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติข้อวัดกับแม่ได้ถูกฉะนั้นถ้าหากไม่มีนะถ้าหากไม่มีเจตนะถ้าหากไม่ไม่เป็นไบกับกุศลเช่นปฏิบัติไป กวาดไปก็รู้สึกโกรธแม่เลอะเทอะแก่แล้วก็งุ่มงามเป็นตีนไหมไม่เป็นฉะนั้นสิ่งต่างๆเรานี้เราทำผิดมาเยอะเนะืบางทีเราก็อดไม่ได้ทีจ่จะหงุดหงิดคนแกอยู่นะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยนี่แหละคือคือจุดคือจุดที่คือจุดที่ผิดพลาดเนะย ฉะนั้นสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าอันนี้เป็นความเป็นความผิดพลาด